นะโมตัสัพพะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสัพพะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสัพพะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสตังชีวติอปสันตังอุธะอุทะยัปยพยัง โอกาสสร้างชีวิตตังเสื อ, อยโยสัตโตอุทยาพยันติอิมัจสะธรรมะปริยายัตตะอทโทสะทายะสมันเตหิสกกจังธมโมโซตัมโบติณโอกาสนี้จะได้น้อมนำเอาธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสแสดงชี้แจง พอเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของญาติธรรมชมลมพุทธศาสตร์ทีโอทีทุกท่านนาการปัดนีธรรมะที่จะนำยกเป็นนิเคปะบะบทเบื้องต้นนั้นโยจะวัฏ ส, สะตังชีวติอัปสั้นตังอุอทพยังโอกาสร้างชีวิตตังเสื่อโย ปัตสั้นโตอุทยพยันติซึ่งแปลว่าผู้มีผู้ไม่เห็นความเกิดและความดับมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีผู้มีอายุอยู่เพียงวันเดียว แต่เห็นความเกิดและความดับย่อมประเสริฐกว่าดังนี้นี่พระพุทธเจ้าได้ตัดถึงว่าบุคคลอยู่ตั้งร้อยปีแต่ก็ประมาทไม่รู้จักการเกิดการดับของสังสารวัตรหรือของสังขารสู้บุคคลผู้เห็นธรรมพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมในครั้งพุทธกาลแล้วทำมาพิสมัยเกิดแก่ชุมชนจนกระทั่งได้บรรลุ พระสโสดาบันบ้างสกทาคาเมียนาคาเมและพระรหันเพราะคนเหล่านั้นใช้การพิจารณาเข้าถึงปัญญาจึงได้รู้ทำตามเสด็จพระบ ร, รมศาสดาโดยเร็วคือพระองค์จี้ไปถึ ง, ถงจุดที่นี้การเวลาต่อมามันก็ผันเปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วต้องอาศัยการเวลา มายุคนี้ก็มีเนยยะบุคคลซึ่งพอที่จะฝึกปฏิบัติได้พระอารหันต์ก็ยังมีอยู่พันปีผ่านไปพระอรหันต์ณาศพที่เป็นอภิญญาอย่างปรากฏสองพันปีผ่านไปพระอรหันต์ขณาศพฝ่ายวิปัสสโกสุขาวิปัสสโกอย่างปรากฏปัจจุบันนี้สองพันห้าร้อยกว่าปี ดังนั้นข้าบเกี่ยวกันระหว่างพระอรหันต์กับพระนาคามียังปรากฏอยู่ในโลกสามพันปีผ่านไปพระนาคามีปรากฏอยู่ในโลกสี่พันปีผ่านไปพระสกทาคามีมีปรากฏอยู่ในโลกห้าพันปีมีพระโสดาบันอยู่ในโลกเลยจากห้าพันปีมีพูดถึงใจสรณาคม ต่อไปก็ขอบกอบของธรรมวินัยก็จะละหลวมโดนสัตธรรมปฏิรูปเข้ามาอยู่บ้างมันจะค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปตามกาลเวลาเหมือนาศาสนาของพระกุกุสันโธโกนาคามโนและกัดสปทุที่ผ่านไปแล้วดังนั้นในยุคนี้เราจะต้อง เร่งรีบให้เราเข้าถึงธรรมเราจะเข้าถึงธรรมก็มารู้มารู้จากกายจากใจเรียกว่ารูปนามหรือว่าเบนจะขันเบนจะขันก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อรวมย่นยอ่อเข้าไปก็คือนามกับรูปรูปก็หมายถึงรูปร่างกายของเราที่เป็นตัวเป็นตนเคลื่อนไหวไปมา มีผมขนเล็บฟันหนังที่มองด้วยเหตุมองเห็นด้วยตาเปล่านี้อันนี้เป็นรูปส่วนนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจทำความเข้าใจถึงเรื่องหัวข้อถามว่าอะไรคือเวทนาคือการเสวยอารมณ์ที่เราเสวยอารมณ์สุข มีความสุขด้วยการได้ฟังคำพูดที่ไพเราะสนโสทมีความสุขและเปิดปืน้นเปิดปิติด้วยการไปได้ฟังธรรมะที่มันถูกจริตมีความสุขในการได้ทำบุญเพราะจิตเปิดเป็นสุขเวทนาเกิดความเดือดร้อนลูกหลานไม่เชื่อถ้อยฟังคำคอยที่จะรันไม่อยู่ในโอวาท ก็เป็นทุกข์คอยเป็นห่วงเป็นกังวลมันก็เป็นทุกขเวทนาหรือในครอบครัวนั้นไม่ลงรอยกันทั้งๆมีทรัพย์สินสริงกานแต่มีทัศนคติไม่เป็นไปแนวเดียวกันครูคลองแห่งชีวิตมันจะต้องถ้อยถีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันมีธรรมะในการอยู่ร่วมกันว่าจะต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวให้อภัยซึ่งกันและกัน ดังนั้นการให้ทานนี้เปนหนึ่งอมิสสถานธรรมทานและอภัยทานสามลักษณะอมิสสถานก็ถือถวายเข้าของเงินทองทั้งหลายการให้ทานนอกกายทาได้ง่ายคนไม่เคยเข้าวัดฟังธรรมไม่เคยทำเลยคนนอกศาสนาพุทธก็ยังบริจาค ตามที่เขาประกาศตามที่แจ้งตามที่มีคนเชิญชวนการบริจาคหรือการให้ทานอามิสตานนี้คือทำภายนอกเอาสิ่งของวัตถุมาทำบุญทําทานเพื่อที่จะอทิศให้แก่บุคคลที่เรารักหรือต้องการบุญต้องการกุศลให้เรามีความสุขตามที่เราได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่ได้กล่าวถึงอานิสง นี่เรียกว่าอามิสสถานส่วนธรรมทานก็คือให้ธรรมะอย่างวันนี้ท o โอทีได้นิมนต์พระมาแสดงธรรมโดยชมรมพุทธศาสตร์แห่งนี้ได้รวบรวมกันมาฟังธรรมทุกคนได้ได้เป็นผู้ร่วมในการให้ธรรมเป็นทานจึงเกิดมีการแสดงธรรมสองครั้งต่อหนึ่งเดือนเลื่อยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว นี่แหละก็เรียกว่าให้ทำเป็นทานทีนี้อันที่สามอาภัยาทานอาภัยาทานนี้เราอยู่เราโกรธคนใดคนหนึ่งขัดข้องหมองใจด้วยการเขาไม่เป็นตามที่นัดหมายไม่ซื่อสัตย์กูนี่ยืมสินกันแล้วก็ไม่ใช้ใจก็เจ็บน้ำจะเจ็บใจผูกอาฆาต เราก็ต้องค่อยผ่อนไปมาคิดเสียว่าในชาติก่อนเราคงเป็นหนี้เขาเขามาเอาไปแล้วไม่คืนมาให้มันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นเมื่อมันไปแล้วก็คือแล้วไปก็ให้อภัยทานอย่างอื่นก็เหมือนกันอโหสิกกรรมให้ยกโทษให้ไม่เอาเรื่องเอาราวไม่จองกรรมจองเวรไม่ผูกอาคาต นี่ตกอยู่ในอภัยทานนี่คือการให้ให้ทั้งภายนอกแล้วก็ปรับปรุงในภายในของเราจึงมีคำอยู่ว่าใครต้องการใครต้องการรวยให้ทานใครต้องการรูปงามให้สมาทานศีลใครต้องการมีสติปัญญาให้ฝึกจิตภาวนา ก็เท่ากับว่ารวยสวยฉลาดหรือมีปัญญาทั้งรวยทั้งสวยทั้งหลอ่อทั้งมีปัญญารวยด้วยการให้ทานได้เกิดมันเกิดโผล่ขัพย์มันจะหมุนเวียนยิ่งจ่ายยิ่งยิ่งให้ก็ยิ่งได้ที่นี้ส่วนสมาทานศีลมันก็สำรวมกายวาจาเราจะมีกิริยางามนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเข้ามาก็มีสัมมาคารวะ มีการกราบการไหว้รู้จักที่ต่ำที่สูงนั่นเรียกว่าคนมีคนมีศีลพยายามปรับปรุงตัวเองนั้นให้เป็นคนมีระเบียบเข้ากับสังคมไม่เ อ, อะมะเทิงไม่กล่าวเสียงดังในที่ไม่ควรกล่าวเสียงดังไม่ทำกิริยามารยาทที่มันเป็นวิมันเป็นอาการแห่งความวิการพิการ ในที่ที่ไม่ควรทำนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบเส ง, เงยมมันก็เกิดความงามงามด้วยกิริยามารยาทคือมันการฝึกหัดกายกับวาจาของตนเองศีลรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยเราจึงมีสมาทานศีลกันอยู่เรื่อยเรื่อยส่วนการภาวนานเป็นการบังคับใจเป็นการเข้าไปรู้ใจของเรา พยายามเจาะลึกเข้าไปดูว่าใจของเราเสวยอารมณ์อะไรมันอยู่กับอะไรเราจึงมานั่งภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาแล้วความสว่างสวัยก็เกิดขึ้นในดวงจิตดังนั้นในพุทธภาษิต ท, ที่ยกเป็นนิเขปประ บ, บทเบื้องต้นนั้นก็ว่าผู้ผู้ใด แม่รู้จักการเกิดการดับ ก, ก็คือสังขารร่างกายนี่แหละมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการแปรปรวนในท่้ำกลางมีการแตกสลายในที่สุดก็คือหลักสามัญญะอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นหลักสามัญการเกิดขึ้นในเบื้องต้น ชาติชราพยาธิมรณะมันเป็นหลักธรรมดาของสังขารร่างกายที่มันมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการแปรปลวนในท่ำกลางแตกสลายในที่สุดที่ในขณะที่แปรปรวนนั้นก็มีชรากับพยาธิช่วยกันโหมแรงให้สังขารร่างกายนี้ย่อยยับ ในที่สุดก็เตะ ด, ดับเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้เมื่อเรามารู้มาเข้าใจเราจเจริญวัยขึ้นมาสูงเต็มที่แล้วก็จะน้อมไปสู่ความเสื่อมความชราภาพเขาก็มาเยือนเมื่อวัยห้าสิบห้าหกสิบเจ็ดสิบความชราเข้ามาอย่างแน่นอนปวดแข้งปวดขาหน้ามืดตามมว กำลังวังชาถดถอยลงเป็นไปตามวัยเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็ให้เรามาพิจารณาตัวของเราเองให้เห็นตามเป็นจริงเมื่อพิจารณาโดยท่องแท้ใช้ความพินิษ์พิจารณาตรวจตามและวินิชไฉตัวเราด้วยออวันนี้เป็นอย่างนี้วันพรุ่งนี้เป็นอย่างนั้น ที่เรียกว่าสามวันดีสี่วันใกล้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับถ่ายหรือว่าอาหารไม่ย่อยต้องมียาช่วยย่อยแล้วก็ถ่ายยากเมื่อเข้าไปสู่วัยสูงอายุก็จะเป็นอย่างนี้การขับถ่ายไม่เป็นปกติก็เห็นความไม่สะดวกในร่างกายเกิดขึ้น ท่านจึงสอนให้เราค้นคว้าในสกลรกายของเรานี้นี่เห็นการเกิดขึ้นของสังขารร่างกายดีแล้วก็จะเห็นความดับดับจากวัยเด็กวัยรุ่นวัยมีกําลังวังชาแล้วมาดูมาสู่วัยงมถ้าเราถ่ายรูปไว้ทุกขณะขณะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างของเราผ่านมาเรื่อยๆนี่เรียกว่า ให้มาพิจารณานามรูปให้เห็นความเกิดและความดับของสังขารร่างกายนี้เมื่อบุคคลใดมาพิจารณาอย่างนี้ก็จะเข้าถึงธรรมสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เองพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าบุคคลมีอายุตั้งร้อยปีแต่ประมาทไม่รู้จักการเกิดและการดับสู้บุคคลผู้ ทำความดีวันเดียวรู้ความเกิดความดับบุคคลนั้นยังประเสริฐกว่ากว่าบุคคลที่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยทำชีวิตของตัวเองให้เป็นมันดังนั้นเราจึงควรที่จะน้มเข้ามาในจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ทานและสมาทานศีลเราทำอยู่เสมอแต่ว่าการภาวนานี่ล่ละ ทั้งๆ ท, ที่มันทำง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากทำไปนอนหายใจทิ้งเปล่าๆเลือดอยู่ไปวันๆหนึ่งหายใจทิ้งไปเปล่าๆทั้งวันทีนี้ในหลักอนาปานุสติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกระทำเป็นตัวอย่างว่าอนาปานุสติถูกกับทุกจริต จึงจะให้เรานั้นเดินลมกาหนดลมหายใจเข้าออกถ้ากาหนดธรรมดาก็คือธรรมดาประกอบไปด้วยหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธแต่ถ้าหากเราไม่ทำให้มันยาวมันก็เป็นปกติเมื่อปกติอยู่อย่างนั้นบางทีมันก็เผลอทำให้เราติดสุขจิตลงพวางไปไม่มีสติ แต่ถ้าหากเราหายใจเข้ายาวมันจะมีแรงกระตุ้นมันเป็นต่อมเกิดทุกทุกขณะโดยอัตโนมัติเมื่อเราหยุดการภาวนาต่อมนี้ก็จะกระตุ้นเมื่อกระตุ้นเราก็ระลึกเราก็สำเหนียกสำนึกระลึกสำเหนียกสำนึกระลึกเป็นตัวสติสติความระลึกได้สำเพัญญะความรู้ตัว ขณะที่เราทำงานทำการเราก็รู้ทั่วอยู่ว่าบับ น, นี้เราก็เรากําลังทำงานอยู่เมื่อรู้ว่าเรากําลังทำงานมันก็จะเกิดความโปร่งขึ้นด้วยความรู้ใหม่ที่เรียกว่าสติปัญญามันจะเกิดขึ้นกับการที่เราฝึกทำจิตของเราให้นิ่ง ก็ด้วยด้วยนโยบายหรืออุบายกำหนดลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวไม่เพียงแต่เพียงเท่านั้นเราจะสร้างวิริยินรียกับสัตทินรียให้มันเด่นชัดขึ้นก็จะต้องบังคับตัวเราเองให้อยู่ในกรอบเพื่อสร้างวิริยินซีอินรียคือความภาคเปลียนพยายามนั่นก็คือการนับนับลมหายใจเข้าออกเป็นหนึ่ง นับไปให้ถึงร้อยยี่สิบภาวะการที่มันเกิดขึ้นในขนาดนั้นไม่ต้องไปคำหนึ่งทำให้มันครบกระบวนการที่เราตั้งไว้ก่อนว่าจะนับให้ครบร้อยยี่สิบจึงจะออกออกจากสมาธิแล้วก็ทำให้ได้ตามขั้นนั้นอันนี้เป็นการฝึกวิริยะให้มันเกิดขึ้น ทีนี้เมื่อเราฝึกไปสองครั้งสามครั้งก็จะเกิดความเข้าใจใจเปิดเพราะปิติและสุขใจนิ่งเพราะมีเอกขตาขึ้นมาด้วยการเราเพ่งเพราะฉะนั้นจึงใช้จอจดจอ่อจดจ้องจดจำจดจิตจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกเพื่อกำหนดลมหายใจเข้า อันดับแรกให้หายใจเข้าไปถึงสะดือแล้วก็หายใจออกมาจากสะดือถึงปลายจมูกทีนี้เมื่อเกิดความชํานาญก็หายใจผ่านจุดปลายจมูกไปที่ลําคอไปที่สวง อ, อกแล้วจึงไปที่สะดือจากสะดือก็มาสวง อ, อก ลำคอและปลายจมูกดังนี้ฝึกอย่างนี้ก็จะได้ความสำเหนียกสำเนึกระลึกคือสร้างสติให้เป็นสติสัมโพชฌงค์แล้วก็กำหนดนับเพื่อบังคับให้เกิดวิริยะเกิดวิริยะบรารมีหรือให้เกิดวิริยินสีอินสีคือศรัทธา กับสัตทินรีอินสีคือสัตคือศรัทธาเวริยินสีอินสีคือความภาคเพียรสองอย่างนี้ต้องบังคับเมื่อบังคับให้เกิดมันก็จะได้ผลผลตอบมาก็คือสัตทินรีจะตามมาเพราะเราฝึกจดจ้องเอาจดจอ่ออยู่กับสติที่กำหนดลมหายใจเข้าออกจดจ้องอยู่ในภาวะ ว่าลมหายใจผ่านลาคอผ่านซนอกผ่านไปถึงสะดือจากสะดือมาสวงอกมาําคอแล้วก็ปลายจมูกกำหนดไปกำหนดมาอยู่อย่างนี้อันนี้เมื่อเรากำหนดอยู่อย่างนี้มันก็กลายเป็นจุดจ้องแล้วก็นับไปด้วยเพื่อไม่ให้หลง จดจอจดจ้องเกิดภาวะการต่างๆเกิดนิยามต่างๆขึ้นเราก็จะมีความจำจาว่าเรานับขนาดนี้นับอย่างนี้เกิดภาวะการอย่างนี้แล้วเราทำต่อไปมันก็จะเกิดอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเราไม่เราไม่ต้องไปมีเจตนาว่าจะต้องให้เห็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเรามีเจตนาอย่างนี้มันจะไปไม่ถึงมันก็จะเปลี่ยนไป เราเรานั่งเฉยๆทำตามหน้าที่มีสติสัมปชัญญะพร้อมจิตใจตั้งมั่นอยู่ในหลักที่ครูบาอาจารย์ได้สอนสั่งไว้ว่าให้เรากำหนดกำหนดตัวเราเองสติก็จะกลายเป็นสตินสีขึ้นมาเมื่อเรากำหนด จากสตินสี่ก็เป็นสมาธินสี่เมื่อมีความพร้อมมีวิตกวิจารปิติสุขแล้วก็เพ่งลงไปที่ตัวรู้เรียกว่าจดจิตจดจอนั่นคือจดจอที่ลมหายใจจดจ้องนับที่ลมหายใจเข้าออก นี่เป็นการจดจ้องทีนี้จดจำก็คือจำภาวะการต่างๆว่าเป็นระดับนี้จิตสงบลงด้วยพลังจิตในระดับนี้พอมันสพอมันสะกิจเท่านั้นก็เข้าไปถึงจุดที่เราต้องการอันนี้เรียกว่ามีสติตามเข้าไป เพราะฉะนั้นจากจดจอ่อจดจ้องจดจำแล้วก็จดจิตจดจิตรู้ทำเอะขคตาให้เกิดด้วยการเอาพิติกับสุขที่มันเกิดขึ้นกำลังคลองอยู่นั้นเพ่งลงไปที่ตัวรู้นี่แหละมารู้จิตเราก็จะรู้จักสิ่งที่เนื่องของจักจิตเรียกว่านาม เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะปรากฏให้เราได้เห็นเป็นข้อข้อด้วยการพินิจพิจารณาตามแนวของปริยัติเข้ามาสู่การปฏิบัติจนถึงปฏิเวศคือได้เห็นธรรมเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ารู้จักเหตุเกิดขึ้น แล้วก็รู้จักการดับจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงธรรมแต่ก่อนที่จะเข้าถึงจุดนั้นแล้วก็มาภวนาทำสมถะให้มันเกิดในขณะครั้งพุทธกาลนั้นฟังธรรมะเอาปัญญาพิจารณาแล้วเกิดอรหันต์จำผลอนาคามีผลสกทาคามีผลและโสดาปติผล ก็จะค่อยเกิดขึ้นกับบุคคลผู้มีปกติเล่งในการภาวนาดังนั้นการภาวนานี่แหละเป็นสิ่งที่จะค้นควาสามระดับของการสร้างบุญหนึ่งให้ทานเพื่อให้เกิดโภคาสมบัติจุนเจือเราให้เป็นบุญญาณุภาพ คอยตามสนองเราและให้เป็นเทวานุภาพอนุภาพที่ดูแลปกปักรักษามวลหมู่มนุษย์ก็คือเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่ปกปักรักษามันก็จะเกิดบุญญาณนุภาพแล้วก็เทวานุภาพช่วยสนับสนุนเพราะฉะนั้นการฝึก เมื่อเราได้มาฝึกใึขั้นภาวนาก็จะมีบุญบุญญาณุภาพที่เราได้สั่งสมไว้ตามเครื่อหนูนเทวตานุภาพที่เราอุทิศสนบุญให้แก่เทวดาก็จะกลายเป็นเทวตานุภาพนี่แหละคือการที่จะมาฝึกจิตของเรา เมื่อการฝึกจิตก็จะทำให้เกิดปัญญาดังนั้นจะรวยจะสวยจะฉลาดแล้วก็ต้องมีหลักอยู่สามข้อคือให้ทานสมาทานศีลแล้วก็ให้แล้วก็ภา ว, วนาภาวนาในธรรมที่ใจกำหนดลมหายใจเข้าออกเจาะเข้าไปถึงใจ ด้วยการเพ่งภาวะธรรมก็คือตัวเอกขคตารมให้เข้าไปแนบสนิทอยู่ในดวงจิตดวงจิตของเราก็จะดิ่งอันนี้เรียก ว, ว่าสมถะส่วนวิปัสสนาก็คือการนำจุดใดจุดหนึ่ง ที่เราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วมันเกิดผลอย่างเจริญอาณาภานุสติอันนี้เกิดผลทุกจริตไม่ว่าราคะจริตโทสะจริตโมหจริตพุทธิจริตศรัทธจริตวิตกจริต คือจริต ท, ทั้งหกจะเข้ากับอนาปานุสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าออกอาจจะหายใจเข้ายาวๆกั้นไว้นิดหนึงแล้วหายผ่อนหายใจออกอันนี้ถ้าหากเราทำสม่ำเสมอมันก็จะเกิดผลให้แก่เราอย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้นการภาวนานี่แหละเป็นสิ่งสำคัญทำให้เรารู้จักตัวของเรารู้จักกาลังจิตดังนั้นการรู้ก็คือรู้รูปรู้นามรู้รูปก็คือรู้เห็นตามเป็นสภาวะที่มันเป็นจริงผมถ้าหากไม่สระไม่สางปล่อยทิ้งไว้มันก็เหม็นสาบขนก็หลุดเดียวกัน เล็บไม่ถักไม่ไมแคะไม่ตัดมันก็จะมีมูลเล็บเข้าไปยัดเยีดยดอยู่ฟันสำหรับบทเขียวอาหารชุ่มแช่ไปได้วยน้ำลายและสเลดผลด้วยเศษอาหารก็มีกลิ่นจะมีกลิ่นมาจากภายในหรือกลิ่นจากเหงือกไม่ดีเหงือกสกรปรกเหงือกเป็นโรค แล้วเท่าออกมาจากภายในก็คืออาหารไม่ย่อยอย่าหายใจออกมาก็เหม็นกลิ่นดังนั้นถึงให้พิจารณาสังขารน้เห็นตามเป็นจริงเมื่อเรามาเห็นอย่างนี้มันก็เท่ากับว่ากำลำเนินไปสู่วิปัสสนาจะรู้แจ้งขณะใดเพียงไรก็อาศัยอินสีห้าสัททินสี อินทรีในการมีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมเวริยินซีมีความภาคเพียรพยายามมีพยายามที่จะให้คุณธรรมเกิดไม่ยอดท้อเป็นลักษณะอย่างนี้ ต่อแต่นั้นก็สติก็จะตามมาเมื่อมีสติมั่นคงที่เรากําลังฝึกสติของเราด้วยการกำหนดลมหายใจอยู่ดีเมื่อเรากำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวภาวะจิตหรือกระแส จ, จิตพลังจิตวิถีจิตก็จะรวมลงให้เราได้รู้ด้วยสติสัมปชัญญะที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับ การโพล่ขึ้นของหน่วยแห่งปัญญาที่จะนำมาพัฒนาตัวเราเองดังนั้นขณะที่เรานั่งภาวนาอยู่มันจะเกิดการเห็นเห็นภาวะการต่างๆเห็นแสงสีบ้างเห็นแล้วก็จำจำภาวะการต่างๆนั้นได้ พอจำก็รู้คือตื่นตัวมีความรู้ในจำพอเห็นจำรู้แล้วก็คบคิดคบคิดหาเหตุหาผลก็ทำให้เราเนี่ยดำรงอยู่ในชีวิตด้วยความเรียบง่ายตามแนวทางของวิถีพุทธก็จะค่อยๆปรากฏให้แก่เราก็กลายเป็นปัญญา รู้รักษาตัวเราเองเนี่ย้วยเหตุนี้แหละจึงสอนให้เรานั้นได้นั่งภาวนาให้ปฏิบัติธรรมคำเทศของสมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังคาราชสกลมหาสังคปริณายกเอามา ฟังเป็นคําเป็นคําท่านจะพูดเป็นคําเป็นคําอย่างช้าช้าให้เข้าใจท่านได้ตรวจจาค้คนควาในพระไตรปิฎกทรงแต่งหนังสือ 45,000 ภาษาของสมเด็จพระสมาสัมพุทธเจ้าและประทับอยู่ที่ใดบ้าง ออกให้สาธุชนนั้นได้เข้าใจดังนั้นพวกเราก็เป็นนักปฏิบัติกลุ่มหนึ่งเราก็มานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมเราเป็นผู้มองเห็นไผ่เป็นผู้ตั้งตนอยู่ในความประมาทไม่มัวเมา ตื่นอยู่เสมอด้วยมีสติสัมปชัญญะพร้อมก็จะเป็นผู้ไม่ห่างไกลาจากมรรคผลนิพพานถ้าเรามาเจาะลึกพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นเหตุปัจจัยในสังขารร่างกายของเรานี่แล้วมันก็จะเด่นขึ้นปัญญาก็จะพัฒนาให้เรารู้เท่าเอาทัาน พอพิจารณาเห็นสภาวะเหล่านั้นมันไม่ใช่ของเราไม่ชั่วตัวไม่ใช่ตัวเราความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุ ป, ปาทานมังจะค่อยๆถ่ายถอนไปจากจิตดังนั้นไม่ได้อะไรก็ขอให้หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวแล้วก็กำหนดนับนั่งพักอยู่บนเก้าอี้ ก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนับหนึ่งก็ทำอยู่อย่างนี้แล้วก็หายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็นับสองนับไปเรื่อยเพื่อสร้างสติทีนี้เมื่อสติเกิดขึ้นภาวะธรรมก็จะเกิดเมื่อภาวะธรรมเกิด ก็จะกลายเป็นคุณธรรมเข้าไปพิชิตตัวที่โง่เขลาเบาปัญญาให้ฉลาดเมื่อเรานำมาพิจารณาสังขารร่างกายก็จะเห็นตามเป็นจริงเนื้อในภาสิตนั้นะจึงที่ยกเป็นนิเคประ บ, บุเบื้องต้นว่าโยจะชีวติ อปัดสันต์่างเป็นต้นที่ว่าบุคคลเมื่อไม่เห็นการเกิดและการดับมีอายุถึงร้อยปีส่วนผู้อยู่วันเดียวแต่รู้จักการเกิดการดับประเสริฐกว่าบุคคลนั้น ดังนั้นการภาวนาเป็นการให้มันเกิดปัญญาอยากสวยรวยทรัพย์นับปัญญาก็มาให้ทานสมาทานศีลเจริญเมตตาภาวนานี้เองก็จะทำให้เรานก้ายเป็นผู้มีบุญกุศลนั้นได้กระทาแล้วพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังคานุภาพปุญญานุภาพและเทวานุภาพ บุญญาณุภาพกับเทวตานุภาพเป็นบุญช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็ยังความที่เราตั้งปรารถนาไว้ให้สำเร็จผลตามเหตุตามปัจจัยนั้นดังนั้นธรรมบินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงอยู่ไม่ลาสมัย คงเส้นคงวาคือมีพระไตรปิฎกที่เราถือสืบกันมาประพฤติปฏิบัติมาตลอดยังตรวจฐานได้ยังอ้างอิงได้แม้กระทั่งคำพูดคำกล่าวของพุทธสาวกก็คือพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญ ก็ยังศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านได้ศึกษาธรรมบินัยเหล่านี้จากของจริงแม้ของจริงจะเป็นตัวหนังสือแต่ก็สามารถที่จะเอื้ออำหนวยให้เข้าถึงธรรมดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายได้สะดับจับฟัง ในเรื่องระหว่างบุคคลสองคนคนหนึ่งอยู่ด้วยความประมาทมัวเมาก็จะทำให้เรานั้นเข้าถึงด้วยบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมานี่แหละดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังธรรมะที่กล่าวมานี้ เห็นว่าสิ่งใดพอที่นำไปประพฤติปฏิบัติก็จงนำธรรมะเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติตามจริตนิสัยแห่งตนทำอะไรก็ได้มันเข้ากับจริตแล้วมันก็จะพิชิตความโง่เขาได้ง่ายมันมีไม่มีอะไรที่จะผิดเพราะเราเดินทางไปตามขอบก ว, กว้างๆแล้วไม่มีอะไรผิดท่านก็จะเข้าถึงธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดแห่งการแสดงธรรม ก็ขอรัตนาคุณพรศีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ตลอดบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ประกอบธระทมาแล้วในอดีตในปัจจุบันและจากกระทำในอนาคตขอจงเป็นพลังแห่งบุญเกื้อหนุนให้ท่านเจริญในธรรมอยู่ในวิถีแห่งความเป็นพุทธศาสนิกชนในโลกนี้ด้วยความสะดวกสบายด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้ท่านจงสําเร็จสิ่งที่ท่านตั้งความปรารถนาตั้งความตั้งความต้องการตั้งความพึงพอใจจงเกิดมีแก่ท่านจงพันสําเร็จจงพันสําเร็จแก่ท่านตลอดกาลนานดังที่แสดงมาเอวังกนมีด้วยปากาลัสนี